วิสุทธิเจ็ดคือหนึ่งีล ว, ว, hey. วิสุทธิความหมดจดแห่งศีสองจิตลวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตสามทิฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฐิสี่กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยห้ามคามัคยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทางหก ปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติเจ็ดญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศน ะ, ะประการแรกขอให้นักเกรยียนนักศึกษามาทำความเข้าใจกับคำว่าวิสุทธิแปลว่าความหมดจดในแก่ความหมดจดแห่งญาณ คือความรู้มีเจ็ดอย่างขึ้นหนึ่งศีลวิสุธทธิได้แก่การรักษาศีลตามภูมิชั้นของตนให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดถูกต้องตามระเบียดตามแบบแผนตามพระบัญญัติซึ่งเป็นส่วนพุทธานามาในพระปฏิโมกขและอภิสมาจารข้อประพฤตปฏิบัติอันดีงาม อันนี้ก็หมายความว่าการรักษาศีลตามภูมิชั้นตามฐานะของตนให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ถูกต้องนะก็คือการทำจิตใจการทาจิตใจอของเรานั้นให้ให้บริสุทธิ์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเรารักษาศีลห้านะเราเป็นสามัญชนทั่วไปก็มีศีลห้า คนมีศีลห้ารักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แน่นอนที่สุดการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างมากจะไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกันไม่มีการข่มเหงหรือว่าเหยียบย่ําน้ําใจกันไม่มีการพูดโกหกหลอกลวงให้เขาต้องเสียประโยชน์หรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเสียเนื้อเสียตัวกัน แม้ที่สุดก็คือว่าไม่ดื่มน้ำเมาอันเป็นเหตุให้ขาดสติสัมปชัญญะนี่ถ้าหากว่าเราทุกคนได้รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามสามัญชนทั่วไปแล้วแน่นอนที่สุดสังคมก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสังคมก็จะอยู่กันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยโลกนี้ก็เหมือนกับดอกไม้สวนดอกไม้ มองไปทางไหนก็งดงามจับตาจับใจดังนั้นสี น, นี่แหละเป็นพื้นฐานที่จะปรับจิตใจของคนเร า, เาให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตได้แต่ถ้าหากว่าเรามีสีไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์สีห้าก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สีแปดก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สีสิบก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สีสองรอยสิบเจ็ดก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แน่นอนที่สุด เราก็ต้องมีการเบียดเบียนกันต้องมีการเอารัดเอาเปรียบกันเราก็ต้องมีการจริงดีจริงเด่นกันนะเราก็ต้องมีการอิจฉาเสยยกันนะอันนี้แน่นอนและในปัจจุบันที่เราเห็นก็เป็นอย่างนะั้นนะเป็นอย่างนะั้นทุกวันนี้เรามาทะเลาะเบาแวงกันนะมาใส่ร้ายป้ายสีกันมาเอารัดเอาเปรียบกันนะของแกดีของข้าไม่ดีของข้าดีของแกไม่ดีอะไรเนี่ยนะต่างคนต่างก็ว่าตัวเองดี นะแล้วก็ใส่ร้ายรังแกกันข่มเหงกันมีการวิ cobra, ่งเต้นกันมีการเอารับเอาเปรียบผมเหงกันอยู่ตลอดเวลานี่เพราะอะไรก็เพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นเองนะ่พระนั้นเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นตามทางสถานีวิทยุหรือส<ด><ก><น>ื่อมวลชนต่างๆหนั ง, ง, ง, ง, ง, งสือพิมพ์ก็ดีเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะมีอยู่ทุกวี่ทุกวันเอแล้วก็ทุกหน้าของหนังสือพิมพ์ คิดๆ ด, ดูแล้วก็หน้าเบื่อหน่นายะแต่มาคิดดูอีกทีโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะโลกมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเกิด <ơ> ขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังนะมันไม่จริงมันไม่จังว่าฮั้นเหลเ อ, อเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ก็โลกกระทำเจตการนะในโลกกะระทำ มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์นะมีสุขก็มีทุกข์มีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์มีนินทาก็มีสันเสริญอ่านี่มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามันเป็นของคู่กันนะมันเป็นของคู่กันอือันนี้แหละฉะนั้นเราจะต้องทําใจให้ได้ทําใจให้ได้เมื่อเราทําใจได้แล้วก็แน่นอนที่สุด เราก็จะสบายใจนะสบายใจ<ม>ถือว่าการติขินนินทานั้นเป็นเรื่องของโลกโลกกระทำนะเราไม่ติเขาก็ต้องติเรานะแต่ว่าให้เราทุกคนรู้จักห้ามใจตัวเองหยุดใจตัวเองได้เราก็จะสบาย<ม>นะเราก็จะสบายฉะนั้นในวิสุทธิเจ็ดก็คือสีลววิสุทธิคือเมื่อเรามีศีลบริสุทธิแล้วแน่นอนที่สุดาจะาเป็นสีห้าสีแปดสี 10, สิบสีสองรอยิบเจ็ดก็ดี เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสบายใจสังคมถ้าหากว่เป็นอย่างนี้แน่นอนที่สุดพื้นฐานของสังคมก็จะเป็นระเบียเบเรียบร้อยอาชาประเทศชาติศาสานาพขมหากษัตริย์ก็จเจริญรุ่งเรืองโดยลําดับประการที่สองจิตวิสุทธิได้แก่สมาธิทั้งสามคือการทําจิตให้เป็นหนึ่งลงไปอลงไป ครูหนึ่งหรือขณะหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะสมาธิก็ตามเมื่อทําให้เป็นบรรทัศฐานของวิปัสสนาแล้วก็คลมใจไว้ด้วยวิปัสสนากรรมฐานอกลมใจไว้ใจที่เฉียดข้างสมาธิตามที่เรียกว่าอุปจารสมาธิต่อ น, นั้นก็ย่อมได้บรรลุภูมิแห่งอปปนาสมาธิคือเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่แนบแน่นนก็จะทําให้จิตใจสงบคืงหมายความว่า เมื่อคนเราได้จิตวิสุทธิก็หมายถึงว่าเราจะต้องได้สมาธิทั้งสามเสีย ก, ก่อนนะสมาธินี่แหละเป็นตัวกรองกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดให้หมดไปให้เบาบางไปเมื่อเราได้เมื่อเราได้คณิกะสมาธิก็คือเป็นสมาธิที่ได้ชั่วครู่ชั่วยามนะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะต่อแต่นั้นเราทําต่อไปเราก็จะได้อุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เข้าไปเฉียด เขไปใกล้อปปนาสมาธินใกล้จะสงบได้นานอันนี้อุปัชจรสมาธิเราสงบได้เป็นพักๆเราสงบได้เป็นพักๆได้นานเมื่อใกล้อปปนาสมาธิเมื่อเราทําบ่อยๆเข้าเราก็ถึงอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่นอปปนาสมาธินี่เป็นตัวชานนเป็นตัวชานอโดยที่สุดเพียงแต่ จิตสงบชั่วงขณะขนหนึ่งหรือช่วงคู่ช่วงยามก็พอเป็นบาดฐานแห่งวิปัสนาที่เรียกว่าบริสุทธิ์แห่งจิตก็คือจิตตวิสุทธินั่นเองเมื่อเราทําอย่างนี้ได้นะจิตใจของเราก็สะอาดจิตใจของเราก็ผ่องใสะนะจิตใจของเราสะอาดจิตใจของเราก็ผ่องใสเมื่อจิตใจสะอาดผ่องใสแน่นอนที่สุดเราก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ เหมือนกับน้ําฝนและน้นําฝนเนี่ยมันใสเราสามารถที่จะส่องมองเห็นหน้าตัวเองก็ได้ในน้ําหรือว่าเอาอะไรใส่ไปในน้ําฝนเราก็มองเห็นชัดนะมองเห็นชัดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏชัดแก่ตาแก่ใจของเราตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าหากว่าน้ํานั้นมันยังขุนเราเอาอะไรใส่ไปเราก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็อาจจะเดาๆาเอาก็เกิดความผิดพลาดได้ ่าปิดพลาดได้อ่าฉะนั้นจิตใจของคนเราเหมือนกันถ้ า, าว่ายังคุณมัวยังเศร้าหมองด้วยกิเลสด้วยตัณหาเราก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถูกต้องยังผิดพลาดไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ถ้ า, าว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองหรือจากนิวรณูปกิเลสทั้งห้าแน่นอนที่สุดจิตใจของเราก็จะโปร่งใสะเมื่อจิตใจปร่ง ใ, งใสเราก็เกิดความสงบขึ้น เมื่อเกิดความสงบขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้นะตามความเป็นจริงได้มาในข้อที่สามทิฏฐิวิสุทธิได้แก่การพิจรารณาเห็นรูปนามนะเห็นรูปนามโดยสภาวะอย่างไรรู้จักแยกออกเป็นส่วนๆโดยปัจจัดตลักษณะเช่น รูปอันเป็นรูปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมแล้วรวมกันเข้าเป็นรูปต่อแต่นั้นปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ให้เกิดนามเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณดังนี้เป็นต้นแล้วยกเอานา ม, มารูปเหล่านี้ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ คือพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะโดยสามัญลักษณะก็จะทําให้เรานั้นรู้เท่าทันตามสภาวะความเป็นจริงน ะ, ะความเป็นจริงคือการพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นอของเฉพาะตนได้แก่พิจารณารูปอันเป็นอันเป็นที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทั้งสี่นะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทั้งสี่ และเมื่อธาตุทั้งสีแยกกันไปเราก็มันก็อยู่กันไม่ได้นะอยู่กันไม่ได้อย่างนี้เรียกว่า <c oughs> เราเห็นรูปตามความเป็นจริงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแยกอ <c oughs> กรูปก็คือรูปเวทนาก็คือเวทนา <c oughs> <c oughs> คือคนเรานั้น <c oughs> มีส่วนประกอบใหญ่ๆอยู่ห้าประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้า รูปปขันกองแห่งรูปนะกองแห่งรูปก็หมายถึงว่าตั้งแต่รูปสี่มหาภูตารูปคือดินน้ำไฟลมแล้วก็อุปาทายรูปรูปยี่สิบแปดนรูปยี่สี่นะรูปยี่สี่รวมกับนั่นก็เป็นรูปยี่บแปดนะแล้วก็เวทนาคือการสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาขันนะกองแห่งเวทนาสัญญาขัน กองแห่งสัญญาคือความจําได้หมารู้จำํจำลูกจําเสียงจํงจาเตือนจํารสการสัมผัสกองแห่งสังขารนะสังขารขันคือหมายถึงกองแห่งเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตใจนะให้เกิดดีก็ได้เกิดร้ายก็ได้หรือเฉยเฉยก็ได้อปรุงแต่งจิตใจให้เกิดชอบชังความโลภความโกรธความหลงก็ได้วิญญาณขันคือกองแห่งวิญญาณคือความรู้สึกอความรู้สึก คือรู้สึกหมายถึงว่ารู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะรู้แจ้งตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักกุวิญญาณนะโสตะวิญ ญ, ญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณนะกายยะวิญญาณมโนวิญญาณนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าฉะนั้นรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็คือน้ำเมื่อเราแยกรูปแยกน้ำออกอ่นะ ก็จะทําทให้เราพิจารณาเห็นสังขาร <c oughs> โดยใจรักษณ์ได้ง่ายขึ้นว่าสังขารของเรานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนนี่เรียกว่าอเป็นทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นบริสุทธิ์คือเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราอในตัวเราในของเราในตัวเขาของเขาตัวเราไม่มีของเราไม่มีเขาไม่มี เขาไม่มีเราไม่มีอย่างนี้เราก็สบายแต่ทุกวันนี้เรายึดมั่นถือมั่นกันในวัตถุยึดมั่นถือมั่นกันในตัวตนเราจึงไม่สามารถที่จะพ้นในการที่เราจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในกิเลสตัณหาในข้อนี้ได้เราจึงต้องมีการแข่งแย่งกันเอารักเอาเปรียบกันหึงหวงกันอิจฉาเสียกันนี่แหละเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาอยู่ฉะนั้นในพระอริยบุคคล ในพระอญญายบุคคลสองก็ดีสี่ก็ดีแปดก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระอญญายบุคคลแปดก็หมายถึงว่าโสดาปริมัคโสดาปริผลสกัธ า, ามรักสกัธ า, าคาวามมีผลอนาคามีมรักอนาคามีผลอรหัตมรักอรหัตผลในข้อแรกสังในพวกนี้จะต้องละสังโยดได้สิทธิ์ขึ้นหนึ่งจากกาักรยานทิฐินี่ข้อนี้สําคัญ ฉะนั้นการที่เราแยกรูปแยกน้ำออกก็เท่ากับว่าเราเราละตกะยทิฏฐิได้นะไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยนะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขานะตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีนะไม่จะจัดบุคคลตัว ต, วตนเราเขานะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสภาวะทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้มาในข้อที่สี่กังขาวิจารณวิสุทธิได้แก่ การกาหนดจับปัจจัยแห่งนามรูปนั้นว่าเพราะอะไรเกิดนามมรูปจึงเกิดเพราะอะไรดับนามมรูปจึงดับจนเป็นเหตุสิ้นสงสัยในนามมรูปทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่จะเป็นไปในอนาคต น, นี่นี่เป็นเรื่องของการพิจารณาในรูปในปัจจัยคือหมายถึงว่า การกำหนดรูปปัจจัยแห่งนามะโลกนั้นจนเป็นเหตุให้สิ้นสงสัยในรูปทั้งที่เป็นมาแล้วก็ดีกำลังเป็นอยู่ก็ดีและจะเป็นไปในอนาคตก็ดีเราเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเป็นความเป็นความหมดจดแห่งยานที่จะเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเป็นเครื่องข้ามความสงสัย ในข้อนี้ก็ถือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคือหมายความว่าเรารู้ว่าปัจจัยแห่งนามารูปนั้นอะไรเกิดขึ้นนามารูปจึงเกิดขึ้นนะอะไรดับนามารูปจึงดับนี่เมื่อเรารู้อย่างนี้ความสงสัยในนามารูปจึงหมดไปนะจึงหมดไปมาในข้อที่หนะ้ามาในข้อที่ห้า หรือพูดง่ายๆอย่างหนึ่งในข้อที่สี่กังขาวิจังนวิสุทธินั้นท่านกล่าวว่าอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นสามัญปัจจัยแห่งนามารูปนะเป็นสามัญหมายถึงว่าเป็นปัใจจัยให้เกิดนามารูปนะอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นปัใจจัยให้เกิดนามารูปอาหาราเป็นปัจจัยแห่งรูป นะอาหารเป็นปัจจัยทีพ่พูดง่ายๆเป็นวิสามันปัใจจัยแห่งรูปอาวิชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นสามันปัใจจัยแห่งรูปคือว่าธรรมดานะเป็นเหตุที่จะให้เกิดเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดนามารูปอาหารนั้นเป็นวิสามันคือเป็นเป็นสิ่งที่วิเศษเหนือไปขนาดที่เป็นปัจจัยให้เกิ ด, Rub ปปด ใ, ใ ห, ใหเด้เป็นปัใจจัยแห่งรูปอาหารจตนะภายในหก อายุตนะนภายนอกหกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกหกก็คือรูปเสียงกลิ่นรส <c oughs> อ, อาปวดตะทะธรรมารมณ์เป็นวิสามันปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงและโดยอ้อมแห่งเวทนาสัญญาทั้งขานอันเป็นส่วนเจตสิกที่รวมกันเข้ามาเป็นนามที่รวมกันเข้ามาเป็นนามอันนี้หมายความว่า อวิชาตัญหาอุปาทานกรรมนะคือเหตุเสมอกันนะสามัญปัจจัยนีหมายถึงเหตุเสมอกันแห่งนามารูปนะโบยอธิบายว่าสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้เว้นแต่พระอรหันต์ที่เรียกว่านามารูปในที่นี้สัตว์ทั้งหมดย่อมมีตัญหาอุปาทานกรรมทั้งนั้นนะและเป็นสภาพเหมือนกันหมดนะ <c oughs> มีอาหาร มีอาหารเป็นปัจจัยแห่งรูปนะมีอาหารเป็นวิสามันปัจจัยแห่งรูปนะอันนี้ไม่เสมอกันนะอันนี้ไม่เสมอกันคือบางอย่างก็มีอาหารอีกอย่างหนึ่งบางอย่างก็มีอาหารอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันแม้แต่คนในโลกนี้พวกกระรังก็กิกนข น, นมปังเราก็กินข้าวเป็นอาหารนะบางทีเรากินน้ำพริกเขากินไม่ได้อะไรเนี่ยอาหารอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแล้วก็พวกสัตว์ก็เหมือนกัน ตัดบางอย่างก็มีเนื้อเป็นอาหารบางอย่างก็มีหญ้าปางเป็นอาหารนะไม่เหมือนกันบางอย่างก็มีมูดคูดเป็นอาหารนี่ไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องของรูปของนามนะโลกของนา ม, นนามทีนี้มาในข้อที่ที่ห้าก็คือมักคามัคคิยานทัศนวิสุท ธ, ธิ์ได้แก่ยานอันรู้จักอย่างลงว่านี่ทางนี่มิใช่ทาง แห่งธรรมพิเศษอันนี้หมายความว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนามาถึงขั้นกลงขาวิตรณาวิสุทธิแล้วอุปกิเลสแห่งวิปัสนาสิบอย่างใดยอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นคือหมายถึงว่าไม่หลงคือมเมื่อเกิดขึ้นเราทำให้หลงไปว่าได้บรรลุมรรคผลนะ นั่นเป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสนาคือจะทำให้เราเกิดความพวักพวนอยู่เมื่อเราพวักพวนอยู่ก็จะทำให้วิปัสนาญาณไม่เกิดขึ้นไปอีกนะไม่เกิดขึ้นไปอีกนะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญมนะในเรื่องอุปกิเล ส, สินะมีตั้งแต่การเห็นแสงสว่างอะไรเ่านี้เป็นต้นนะแสงสว่างนี่ก็ถือเป็นอุปกิเลสหรือเกิดความปิติเกิดความอิ่มใจ อ่านี่ก็เป็นอุปกิเลสอ่เป็นอุปกิเลสทั้งนั้นดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องอุปกิเลสที่ถือว่าเป็นกิเลสที่นอนเนื่องออยู่ในในจิตใจในคันสันดานของเราอ่าทำให้เราหลงไปว่าเรานั้นได้บรรลุคุณธรรมขั้นนั้นขั้นนี้อ่อ่าทำให้เราไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะทำได้อเกี่ยวกับเรื่องอุปกิเลสเจ็ดนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ติดเราไม่หลงอ่ เราสามารถที่ทําลายปัคคีเลสทิตหมดไปได้เราก็จะสบายนะเราก็จะสบายฉะนั้นในในข้อที่ว่ามรคมัคยานทัศนวิสุทธิ์ก็ได้แก่ยานอันอย่างรู้ลงไปว่านี่ทางไม่ใช่ทางหมายว่าทางนี้เป็นทางแห่งความหลุดพ้นทางนี้ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางที่ให้เกิดสติปัญญาทางนี้มันจะทางที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ อันนี้คือหมายถึงว่ามรรคมรรายานทัศนวิสุทธิมาในข้อที่หกข้อที่หกก็คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิข้อนี้ท่านหมายอาวิปัสนาญาณเก้า น, นะในวิปัสนาญาณเก้าคือคำว่าวิปสนาญาณเก้าอัน 9, นี้ก็หมายความวา่าความรู้ แจ้งเห็นจริงนะความรู้แจ้งเห็นจริงในวิปัสสนาญาณเก้ารู้แจ้งเห็นจริงอะไรอนะอันนี้เราเราอาจจะสงสัยอันที่ว่ารู้แจ้งเห็นจริงก็เช่นว่าอุทยพย า, ยานนะปีชาอย่างรู้ความ เ, าเกิดดับของรูปนามนี่ของลูกนามหรือพังพังคานุปัสสนาญาณปีชาคำหนึง่งเห็นความดับอา่าเป็นส่วนๆไปแห่งรูปนาม ของสังขารพยาตูปัฏฐานายานก็รู้ว่าเห็นสังขารปรากฏขึ้นเป็นของน่ากลัวอาทีนวะายานก็เห็นว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์เป็นโทษนิปพิทายานก็เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารมุนกิตุกรรมมยตายานก็คือมีความปรารถนาที่จะพ้นที่จะพ้นไปสิ ปฏิสังขารนุเปก ป, ปฏิสังขารนุปัตสนาญาณก็คือด้วยการพิจารณาหาทางในการที่จะหลุดพ้นสังขารุเปกขายาณก็วางเฉยในสังขารเสียไม่ยึดมั่นถือมั่นสัจจานุโลมนิคยานก็คือปีชาเห็นโดยสมควรแก่การกำหนดอริยสัจสี่นะวิปัสนาญาณก็หมายถึงว่ายานอันนับเข้าในวิปัสนานะนี่พอถึงขั้นปฏิปทา ยานัทสนวิสุทธินี้ก็หมายเอาวิปัสสนาญาณเก้าที่ได้กล่าวมาเพียงย่อยๆทีนี้มาในข้อที่เจ็ยานัทสนวิสุทธิได้แก่ยานในอริยมรรคสี่นะในอริยมรรคสี่นะก็คือพูดถึงว่ า, าวิสุทธิเจ็ดนี้เป็นปัจจัยต่อกันขึ้นไปเพื่อบรร ล, ลนุนิพพานนะเปรียบเหมือนรถเจ็ดหลักต่างทรงต่อทรง ส่งต่อซึ่งกันและกันคนผู้ไปให้ถึงสถานที่ปรารถนาหมายถึงว่าจะส่งคนต่อไปให้ถึงที่ปรารถนาได้ปรารถนาได้การที่จะรักษากายวาจาให้เรียบร้อยตามฐานะของตนไม่ทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในหมู่ของตนเป็นเหตแหุแห่งการเว้นจากโทษการโทษต่างๆ และเป็นเหตุให้เรารู้จักอบรมจิตไม่ให้หวาดวันต่อเวรภัยใดๆทั้งสิ้นจิตย่อมดึงลงเป็นอันหนึ่งนับว่าจิตหมดจดเป็นสมาธิเป็นเหตุให้อบรมให้เกิดปัญญาแล้วก็นำออกพิจารณาเป็นส่วนๆเพื่อให้เห็นทุกเป็นของแปรปรวนไม่อยู่ในอำนาจของใครจนกำหนดจับเป็นปัจจัยคือเหตุเกิดแห่งนามารูปจนเป็นเหตุสิ้นความสงสัยใน นา ม, มารูปทั้งสามการคือในอหมายถึงว่าทั้งในวัยต้นแล้วก็วัยกลางแล้วก็วัยสุดท้ายแล้วก็อาจยังรู้ทางอันจะดำเนินปฏิปทาว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดไม่หลงงมงายและเจเริญวิปสัสนาได้ในวิถีเป็นเหตุให้หมดจดแห่งความรู้อันเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติจนคำนึงความเกิดความดับแห่งสังขารมีความรู้อันเป็นไปในขณะจิต อันได้ชื่อว่าอนุโลมเกิดขึ้นในมโนทวารวัชนะคือการนึกเป็นไปในมโนทวารอันตัดลงแห่งพกนะเกิดในขณะอริยมรรคจะเกิดแต่อริยมรรคก็ปรากฏได้บรรลุมรรคที่สูงจนถึงอรหัตมรรคมีความรู้ในองค์แห่งมรรคนั้นนั้นแล้วทำให้แจ้งซึ่งผล แต่ยังเป็นสัพพ a t i s e s สนิพานหมายถึงว่าดับกิเลสแล้วยังยังเหลือเบญจขันต์ต่อเมื่อถึงที่สุดแห่งสังขารแล้วก็ชื่อว่าได้บรรลุนิพานอันเป็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็หมายถึงว่าอาดับอกิเลสแล้วเอหมดพร้อมทั้งเบญจขันต์ด้วยพร้อมทั้งเบญจขันต์ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของวิสุทธิเจตุ 7, ซึ่งก็ได้บรรยายมาพอเป็นแนวทาง ก็ถึงแม้ว่าจะไม่แจ่มแจ้งนะักก็พอเป็นแนวทางตามสติตามกําลังปัญญาที่มีอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหากว่าเราจใจรู้แจ่มแจ้งนั้นเราจะต้องปฏิบัตินะเราจึงจะรู้แจ่มแจ้งได้แต่ที่บรรยายมนานี้พอเป็นแนวทางเท่านั้ น, นทีนี้ถ้าหากจะตั้งเป็นปัญหาถามว่าความเห็นอย่างไรท่านจึงจัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่า อาการที่พิจารณาเห็นนามรูปตามเป็นจริงโดยปัจจสลักษณะคือยกขึ้นสู่ใจลักคืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกอนัตตาความไม่มีตัวไม่บิดตนและรู้จักแยกออกอาเป็นส่วนๆคือส่วนรูปส่วนเวทนาส่วนสัญญาส่วนสังขารส่วนวิญญาณหรือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไป แม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ล่วงพ้นจากพระไตรลักษ์ไปได้ความเห็นอย่างนี้จัดเป็นทิฏฐิวิสุท ธ, ธิหรือถ้ายัมีปัญหาถามว่าคําว่าปัจจัลลักษณะกับไตรลักษ์ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรเราก็แก้ว่าต่างกันลักษณะที่แยกกันออกเป็นส่วนเฉพาะเช่นรูปกระขันก็มีดินน้ำไบลมอยู่เป็นแผนกเดียวกันเช่นนี้เรียกว่าปัจจัลลักษณะ ส่วนไตรลักษณ์นั้นเพ่งเอาอาการของสังคต ธ, ธรรมที่เป็นไปโดยลักษณะ3ามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและความเป็นอนัตตาของอสังคตะธรรมด้วยหรือถ้าจยมีปัญหาถามว่าพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสนาถึงชั้นไหนวิปัสนูปะกิเลสเกิดขึ้นชักให้หลงถ้าไม่หลงจะได้รับผลดีอย่างไรอันนี้เราก็แก้ ว, ว่า พร ะ, ะโยคาวาจรเจริญวิปัสนาถึงขั้นกังขาวิตรณวิสุทธิอ่าวิปัสนูปัจจิเลสิทอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นชักให้หลงไปว่าได้บรรลุผลแล้วและหยุดเพียรเสียวิปัสสนาก็จัไม่เจริญขึ้นไปอีกถ้าไม่หลงอย่างนั้นแล้วยังรู้ว่านั่นเป็นอุปจิเลสแห่งวิปัสสนาแล้วประคองวิปัสสนาจิตไว้ในวิถีจเจริญวิปัสสนาต่อไปอีกโดยลําดับ ก็จะได้บรรลุมรรคผลและนิพพานเป็นที่สุดหรือถ้ายังมีปัญหาถามว่าการกําหนดปัจจัยแห่งนามรูปได้นั้นเป็นสําคัญอย่างไรอาท่านจึงจัดเป็นกลางขาวิเสนาวิสุทธิเราก็แก้ว่าการกําหนดแห่งนามรูปได้นั้นเป็นเหตุให้เกิดยานความรู้ว่าเพราะเป็นปัจจัยเหล่านี้เกิดนามรูปจึงเกิดเพราะปัจจัยเหล่านี้ดับนามรูปจึงดับจนเป็นเหตุสิ้นสงสัยในนามรูปทั้งที่เป็นแล้วในอดีต ทั้งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและทั้งจักเป็นไปในอนาคตฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นกลังขาวิจารณวิสุทธิเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิเจ็ดมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร วันนี้จะพูดในหมวดที่แปดว่าด้วยเรื่องอริยบุคคลแปดอริยบุคคลแปดก็คือหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมัติสองพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลสามพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมัติสี่พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล ห้าพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมักหกพระผู้ตั้งอยู่ในอนนาคามิผลเจ็ดพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมักแปดพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลทั้งบมดนี้เป็นพระยบุคคลแปดพระยบุคคลแปดพูดง่ายๆพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัก สองพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนี่เป็นคู่ที่หน네ึ่งสามพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมัคสี่พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลนี่เป็นคู่ที่สองห้าพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมัคหกพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลนี่เป็นคู่ที่สามแปดพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมัคเก้าเจ็ดพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมัค แปดพระผู้ตั้งอยู่ในอาตผลนี่เป็นคู่ที่สี่เพราะนั้นถพระยบุคคลทั้งสี่คู่นี้ถ้านับเรียนองค์แล้วก็แยกมรผลออกจากกันได้ถพระยบุคคลทั้งแปดองค์พาะยบุคคลทั้งแปดนี้ท่านกําหนดตามมรและผลมร ก, กับผลในคู่หนึ่ ง, งเป็นพระยบุคคลองค์เดียวกัน เพราะพระผู้ตั้งอยู่ในมรคนั้นเพียงชั่วขณะมรคจิตเท่านั้นคนจากนั้นไปก็เป็นพระผู้ตั้งอยู่ในผลจึงเป็นพระยบุคคลสี่คือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระอรหันต์หรือถ้าจะพูดง่ายๆในพระยบุคคลแปดนี้ ถ้าจะเรียกว่าเป็นพระยบุคคลสองพระยบุคคลสี่พระยบุคคลแปดก็คืออย่างเดียวกันนะอย่างเดียวกันอันนี้หมายความว่าพาะยบุคคลสองก็ได้แก่เสถ่าเอาเสขะถ้าเสขะถ้าผู้ยังต้องศึกษาถ้าผู้ยังต้องศึกษาก็ได้แก่ครับผู้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิมัคถ้าผู้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลถ้าผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีมัคถ้าผู้ตั้งอยู่ในสักทาคามิผล พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมรรคพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีผลพระผู้ตั้งอยู่ในอาตามรรคทั้งเจ็ดนี้เป็นพระเสขบุคคลคือยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาอยู่นะส่วนพระเสขบุคคลก็ได้แก่พระผู้ตั้งอยู่ในอาตผล น, นี่พวกนี้ไม่ต้องศึกษาแล้วหมดแล้วนะอย่างนี้เรียกว่าพระอยบุคคลแปดส่วนพระยบุคคลสี่ก็เลยคืออโสดา ป, ปฏิผลสกทาคามิผล อนาคามีผลอาณักรผลนี่พระยะบุคคลนะสี่ตัวพระยะบุคคลสองก็คือหมายถึงพระเสขะกับพระอเสขะนั่นเองตั้งแต่โสดาบรมไปถึงอาณาจักรมักเป็นพระเสขะส่วนพระอาณัตรผลก็คือพระอเสขะนั่นเองนี่ทีนี้พระอริยบุคคลทั้งแปดนี้ยังละนะยังละทั้งยอดละกิเลสได้ต่างกันไปนะต่างกันไป คือสังโยชนิตการนะสังโยชนิตการหมายถึงว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัยดจิตใจของสัตว์ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารก็คือหนึ่งสกายะทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้สามสีลพตปรามมาหมายถึงว่าการลูกคำลุดถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องศีลรศก็คือการาคือการติดเกี่ยวกับเรื่องผีเจ้าเข้าทรงหมอดูฝูกลวงเกี่ยวกับเลิกยามต่างตสีกรกรมการมาราคะคือการกำหนัดในกามห้าปฏิฆะก็คือการกระทบกระทั่งแห่งใจตัวความโกรธมีอารมณ์หุดหงิดใจน้อยโกรธง่ายก็หก รูปราคะก็คือความกำหนัดในรูปความพอใจใน 7, รูปเจ็ดอรูปราคะความกำหนัดในสิ่งที่ไม่มีรูปแปดมานะคือความถือตัวถือดีอวดดีเก้าอุจจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจสิบอวิชชาความโง่เขลาเบาปัญญาทั้งสิบนี้เรียกว่าสังโยชน์ เ, เรียกว่าสังโยชน์ ฉะนั้นพระยบุคคลพระยบุคคลจะละได้คือพระโสดาปฏิมาหรือว่าโสดาปฏิผลนี่ละได้สามละสังโยชน์ได้สามขั้งต้นก็คือจักรยทิพฐิวิจิกิสาสีะระพัสตารามาอันนี้หมายถึงว่าพระโสดาบันละได้ไม่ยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนแล้วมองเห็นอาตัวตน เป็นตามสภาวะธรรมก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแยกรูปแยกนามได้นแยกรูปแยกนามได้ตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาไม่มีแล้วก็พระสะกท า, าคามีก็ละได้ได้สามละกัคกายาทิฏฐิวิจิกิจสาสีลัตพระจะปรามาตพร้อมกับทำราคะโทสะให้เบาบางแล้วก็พระอนาคามีก็ละได้ห้า คือสักกายะทิฏฐินะสักกายทิฏฐิมิจิกิจฉาศีระพตา ร, รามาสกามราคะปฏิฆะนี่คือพระอนาคามีละได้นะพระอนาคามีละได้เรียกว่าละได้สังโยชดดยน์เรื่องต่ำอุทธามภาคียะอุทธามภาคียะอโอรมภาคียะยสังโยชดดยน์เรื่องต่ำ แล้วก็ส่วนพระอรหันต์ก็ละได้สิทคือตั้งแต่หนึ่งสักพายาทิฏฐิสองวิจิกิชฌาสามสีะระพุตตะปรามาสีตามมาระคะห้าปฏิฆะหกลูปราคะเจ็ดอรูปราคะลาแปดมานะเก้าอุทชะสิทธิอวิชฌานี่พระอรหันต์ละได้นะพระอรหันต์ละได้อ น, น, นี่เป็นเรื่องของพระยาบุคคลแต่ส่วนรายละเอียดก็ได้เคยบรรยายไว้ในในหมวดสองแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพระยะบุคคลสอง ทีนี้ถ้าากจะมีปัญหาถามว่าพระโยคาวจรบำเพ็ญคุณธรรมเพียงชั้นไหนให้มีขึ้นในตนจึงสามารถออกอุทานว่ามุติตังธรรมจริยังกัตตังกรณียังนาปรังอิทัตายะดังนี้ได้เหตุอะไรจึงตอบอย่างนั้นอันนี้เราก็แก้ว่า การบําเพ็ญกุณธรรมคือพระอรหันตผลให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนจึงสามารถจะเอาอุทานดังนั้นได้ว่าพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วนะพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วอืมพง่ายๆก็คือว่ากิจที่เราเพึงอนกระทำนั่นก็หมดแล้วอืะกิจอื่นไม่มีอีกแล้วอืกิจอื่นที่เราเพึงอนกระทำไม่มีอีกแล้วนะหมดแล้วสิ้นพบสิ้นาชาติสิ้นทีน ที่เราตอบเช่นนี้เพราะเหตุว่าผู้ได้สําเร็จพระ อ, อรหันต์แล้วย่อมตัดสังโยชน์ธรรมที่เป็นพืชของวัตถุได้โดยเด็ดขาดไม่อาจโยงภพโยงชาติพบนี้พบหน้าให้เนื่องถึงกันได้ต่อไปหรือจะถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงจัดพระยาบุคคลถึงแปดจำพวกอันนี้เราก็แก้ว่าการที่ท่านจัดพระยาบุคคล ให้มีถึงแปดจำพวกนั้นด้วยอำนาจที่ท่านกาจัดสังโยชน์ได้โดยเอกเทศและสิ้นเชิงกว่ากัน เ, เช่นไตรโซโดาปฏิมักากาจัดสังโยชน์ได้เพียงสามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตปรามาท่านก็จัดไว้จำพวกหนึ่งดังนี้เป็นต้นหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าพระอริยบุคคลแปดเทียบกับ พรยบุคคลสี่ได้หรือไม่ถ้าได้ก็จงเทียบมาดูแล้วเขตอบว่าได้พระยาบุคคลแปดโดยใจความก็คือพระยาบุคคลสี่นั่นเองคือคู่ที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบันคู่ที่สองได้แก่พระสะกท า, าคามีคู่ที่สาได้แก่พระนาคามีคู่ที่สี่ก็ได้แก่พระอรหันต์นี่เป็นเรื่องของพระยาบุคคลแปดก็เป็นเพียงแนวทางซึ่งไม่เคยบรรยายมาในขัง้งต้นแล้ว อต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอวิชชาแปดเนี่ยอวิชชาแปดคำว่าอาวิชชาแปล ว, ว่าความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้คือความเขาเนี่ไม่มีปัญญาท่านจะแนกออกเป็นแปดคือหนึ่งไม่รู้ทุกข์สองไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์สามไม่รู้จักความดับทุกข์สไม่รู้จักทางให้ถึงความดับทุกข์ สี่อย่างนี้คือไม่รู้จักของจริงของพร ะ, ยะเยจ้าจึงได้นามว่าอริยสัจสี่ห้าไม่รู้จักอดีตได้แก่ไม่รู้จักสาวหาเหตุในอดีตเมื่อเห็นผลในปัจจุบันคือไม่รู้จักสาวหาต้นเหตุอะไรเป็นเหตุให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้จักทั้งอดีตอนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท ในข้อแรกที่บอกว่าไม่รู้จักทุกนะไม่รู้จักทุกคือคนเราทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าถูกเอาวิชาครอบงำกันทำนั้นไม่รู้จักทุกว่าทุกนั้นมันคืออะไรนะเราเมื่อเราไม่รู้จักทุกเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเราแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นทุ ก, ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เราพูดอย่างภาษาชาวบ้านทั่วๆไป แต่ถ้าแปลตามศัพท์อีกอย่างหนึ่งคําว่าทุกข์นี่คือสภาวะที่ทนได้ยากนะคาว่าทุกข์นี่แปลว่าสภาวะที่ทนได้ยากถ้าืูดว่าสภาวะที่ทนได้ยากพูดง่ายๆเช่น ว, ว่าอ่าเรานั่งนานๆมันเมื่อยมันก็เป็นทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิเยบด์นะเปลี่ยนอิเยบดยืนนานๆก็เมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนอิเยบดนอนนานๆเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนอิเยบด์นะพลิกซ้ายพลกขวานี่แหละที่ว่ามันเป็นทุกข์สภาวะที่ทนได้ยาก พูดให้ลึกลงไปนะเราเป็นทุกข์กันตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในครัมเริ่มตั้งแต่เป็นสุดเป็นกระละนะพอเริ่มเป็นสุดก็มันก็เป็นทุกข์คือมันไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ในสุดอันนั้นพอนานเข้าในสัปดาห์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ก็เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาเป็นตัวคนนี่ไอการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากนทนอยู่ไม่ได้ผลที่สุดก็คือ แม้จะอยู่ในครันตั้งเก้าเดือนก็ยังทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในท้องต่อไปเลยก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกนี่เป็นทุกข์อีกไลน่าเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกข์นี่มาพูดโดยย่อๆแล้วก็มีอยู่สองอย่างก็คือสภาวทุกขกับปกินณกะทุกข์นะสภาวทุกขกับปกินณกะทุกขก็คือสภาวทุกข์ได้แก่ทุกข์ที่เกิดมาพร้อมกับตัวตนได้แก่ความเกิดความแก่ความตาย ที่เราสวดมนที่เราบอกว่าชาติปิดทุกข์าแม้เกิดก่อเป็นทุกษราปิทุกข์าแม้ความแก่ก็เป็นทุกมรณะปิดทุกข์ขังมรณะปิดทุกข์ขังความตายก่อเป็นทุกนะเกิดก็เป็นทุกแก่ก็เป็นทุกตายก็เป็นทุกนี่ทุกตัวทำไมจะไม่ทุกบอกเลาว่าทุกคือสภาวะที่ทนได้ยากอย่างหนึ่งนะแล้วก็เอทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะทําไมอ่ะเกิ็เป็นทุก พราะเมื่อเราเกิดมาแล้วแน่นอนที่สุดพ่อแม่เราก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าตัวของเราต้องเป็นทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะเราจะต้องมาต่อสู้กับธรรมชาติต้องมาต่อสู้กับการทำมาหากินต้องมาต่อสู้กับการเล่าเรียนศึกษานี่มันเป็นทุกข์ความยากลาบากตรงนั้นเราไม่ได้หามาได้โดยง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องอาบากบันต้องขยันต้องสร้างต้องทําให้มีขึ้นอันนี้มันเป็นทุกข์ตรงนั้นเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วอยู่ตลอดเวลา เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนนะเพื่อนก็มีทั้งเพื่อนดีไม่ดีต้องมีกานโกงกันเอารัดเอาเปรียบกันนะไอริงปัจจัยที่เราจะหามาดำรงชีวิตมันก็บางครั้งก็ได้ด้วยสมบูรณ์บางครั้งก็ไม่สมบูรณ์อ่าสิ่งบางครั้งก็เราชอบใจบางครั้งเราก็ไม่ชอบใจทิ้งเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์ทั้งนะ่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นหลดนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่านี่มันเป็นทุกข์นะเกิดก็เป็นทุกข์นะแกก็เป็นทุกข์นะจะไม่เป็นทุกข์ยังไง สอสภาวะของสังขารนั้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปด้วยมันแปรไปด้วยมันไหลไปเรื่อยมันไหลไปด้วยมันก็เป็นทุกข์คนเรามันก็เปรียบเหมือนกับเราเกิดมาก็เหมือนกับว่าเราเริ่มเดินจากตีนสะพานจากตีนสะพานแล้วก็ไปถึงกลางคนก็ไปถึงกลางสะพานอ่าพอถึงกลางสะพานเราก็เริ่มแก่ลงแล้วเริ่มลงแล้วพอลงก็ถึง ส, สุดท้ายก็ตายตายฉะนั้น <ส Veronica. S 2> ชีวิตของเราเนี่มันแก่อยู่ทุกขณะนะมันแก่อยู่ทุกขณะเราเกิดมาเราก็แก่ในความแก่เนี่มันเป็นทุกเป็นทุกอย่างไงก็เพราะว่าความแก่นี่มันมันทำให้สังขารของเราเสื่อมนะมันเสื่อมไปหมดหูฝ้าตาฟางหูตึงหนังเหี่ยวยน่นผมงอกปันหัก นะจะเดินทีไวไหนก็ไม่ค่อยคล่องตัวนะจะลุกจะนั่งจะนอนแมมรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไปหมดเลยมันไม่ค่อยสะดวกสบายนะนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์และความแก่นี่มันมีสองอย่างเรียกว่าปฏิชันนัราเรียกว่าแก่ปิดนะแก่แก่ปิดก็คือว่ายังคนท้องแก่ในคนท้องแก่เนี่ยเราบอกว่าคนท้องแก่ คือคนมีลูกมีคันเ่าเรียกคนท้องแก่จริงๆท้องมันไม่ได้แก่จริงๆริงเราลูกมันแก่นะแต่ว่าเราเรียกคนท้องแก่นี่เขเรียกว่าแก่ติดทีนี้อปติฉันทะราก็คือเรียกนี่ว่าแก่เปิดอันนี้หมายถึงว่าเราเห็นกันเนี่ยรูปร่างสั้งขาภายนอกเนี่ยเห็นผมหงอกเห็นตันหนักเห็นหนังเหี่ยวยน่นมือไม้มันล้าไปหมดเลยนี่เรียกว่าแก่เปิดเห็นหมดทุกส่ว น, น ในความแก่นี่แหละมันทําให้เราจะเดินเหิอนอยากจะฟังอะไรก็ฟังไม่ได้สะดวกอยากจะกินอะไรก็กินไม่ได้สะดวกจะไปไหนขึ้นรถลงเรือก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องเกะกะเท้านะแกแล้วมันไม่ค่อยดีมันไม่เหมือนกับอ้อยมะพร้าวอ้อยมะพร้าวยิ่งแก่มันก็ยิ่งมันยิ่งหวานแต่คนยิ่งแกก็ยิ่งโง่ยิ่งอะนะยิ่งช้ำซ้ะยิ่งเซอ่เซอซานะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปนะตัวเองก็รังเกียจตัวเองผู้อื่นก็นึกรังเกียจตัวเองก็เบื่อหน่ายเราอ้มเะาอาตัวเอง คนอื่นเขาก็เบื่อนาอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าแก่ก็เป็นทุกข์แล้วเรานี่พอไปส่งกระจกขเขาพอเห็นอะไรมันผิดปกติเห็นผมหงอกเห็นหนังเหี่ยวเห็นฟันหกักกระแม่รู้สึกว่ามันไม่อยากจะแก่เกิดเป็นทุกข์เกิดวิตกขึ้นมาเยกใหญ่อุปาทานก็ยิ่งเกิดมากขึ้นนะนี่แหละจึงบอกว่าแก่ก็เป็นทุกข์นี่ตายก็เป็นทุกข์นะคนเรานี่พอตายไปแล้วมันก็ไอความทุขทุกอย่างมันก็หมดไปสิ้น นะไอ้สิ่งอะไรทรัพสมบัติที่เรามีอยู่ที่เราอ่าสเสวย อ, อยู่นี่มันก็พลันหมดไปทุ่นนะพลันหมดไปทุ่นคือเราเป็นทุกข์ก็คือไม่อยากจะตายนะไม่อยากจะตายบางคนนี่กล้าจะตายทุรนทุารายห่วงสมบัติห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานอย่างนี้ไปไม่ดีไปทุกขติถ้าจิตใจเศร้าหมองแล้วไปทุกขติถ้าจิตใจไม่เศร้าหมองบริสุทธิ์แล้วก็อย่างนี้ก็ไปสุขตินะไปสุขติ อันนี้เป็นหลักฐานที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ฉะนั้นคนเรานี่ถ้าหากว่าใกล้จะตายแล้วก็จิตนึกถึงบุญทานการกุศล น, นึกถึงคุณพระพุะทธธรรมผสมที่ตนเองได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้เคยให้ทานรักษาสินเจริญทวนาก็อย่างนี้จิตไปในทางที่ดีก็ไปสุขติ นะไปสุคติไปเกิดในที่ดีนะไปเกิดในที่ดีไปเกิดในโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะนอน่นเป็น น, น่นหรืออาจจะเป็นพระโยบุคคลเป็นขั้นเป็นตอนไปนะนี่ก็เรียกว่าแต่ถ้าหากว่าอแต่ความจะอย่างไรก็แล้วแต่ใ้ความตายนะั้นมันเป็นทุกข์คือเราไม่อยากตายนะเราไม่อยากตายนี่แต่พระ อริยเจ้าแล้วก็ไม่กลัวนะเรื่องความตายไม่กลัวฉะนั้นด้านนี้สอนให้เราทุกคนนั่นเจริญบวนาสติให้นึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลานะตลอดเวลาทุกทุกอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าปกกิญญาทุกคือทุกเล็กเล็กน้อยน้อยหรืออาจจะเรียกว่าอาทุกขจรทุกที่มันจรมาก็ได้หรือบางที่ก็อาจจะเรียกว่าอาคันตุกะทุกเป็นทุกที่จรมาเป็นทุกที่เหมือนกับแขกที่จรมา ตั้งแต่โสกะความเศร้าโศกฤริเภวะความร่ำควรวนทุกขะความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสความเสียใจอุปายาสะความตรอมใจอภิเยหิสัมประโยโคทุกโขกระจบสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกภิเยหิวิประโยโคทุกโขพัดกาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกยำปิดขังนรภติตามติทุกขังไม่ได้สิ่งที่ตนกาถนาก็เป็นทุกสั ง, งจิตเตนปันตุปาทานขันธาทุกขา อรวบโดยย่อแล้วก็คือทุกในขันห้านะเพราะมีขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นทุกขังนั้นเลยนะนี่ทุกสองอย่างเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ทุกในหลักของอริยสัจสี่แล้วรู้ว่าทุกมันมีจริงนะนี่ทุกมันมีจริงอ่าทีนี้ประการที่สองก็คือไม่รู้เหตุให้เกิดทุก เมื่อเราไม่รู้ทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์อีกทีนี่ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็อทุกข์ตามที่ได้กล่าวมาในต้น่ะมันยังมีอีกตั้งแต่ทุกข์เสร็จน่ะนะตั้งแต่ว่าเรียกว่านิพพัตธทุกข์นะเป็นทุกข์เนืองนิดเช่นว่าอความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นนิพพัตธทุกข์นะเป็นทุกข์เนืองนิดหรืออเป็นพวกอวิปาลาทุกข์นะ ทุกทุกอันเกิดจากวิบากที่เราได้กระทั่งวิบากที่เราได้กระทําหรืออาจจะเป็นพวกสันตาปทุกทุกเกิดจากความเล่าร้อนจากกิเลสตัณหาราคะโกรธโมหะหรืออาหารประยี้ที่ทุกทุกในการแสวงหาธรรมาหากินแสวงหาอาหารต่างๆนี่ก็เป็นทุกหรือว่าสหคตาทุกทุกที่เกิด ขึ้นพร้อมกันมีราบก็กลัวเสื่อมราบมียอดก็กลัวเสื่อมยศเนี่ยอย่างนี้นี่ก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หรือวิวามูละวิวาทะโมละกทุกเกิดทุกเกิดจากการทะเลาะวิวาสนะจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะต้องหาทนายมาต่อสู้กันกลัวแพ้กันอ่านี่ก็เป็นทุกข์ตอนที่สุดก็คือว่าทุกข์ในขันห้านะทุกข์ขับขันก็คือทุกข์ในขันห้านั่นเอง นี่เราไม่รู้เหต k, ุ uk, ให้เกิดทุกข์ก็คือตัวให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหาการมาตัณหาอยากในกายภาะตัณหาอยากอยู่ในภพ man, ย, พยพึดมั่นถือมั่นอยู่ในภพวิภาะวะตัณห า, าก็คือความไม่อยากมีความไม่อยากอยู่ในภพหรือว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นเองนะสามไม่รู้จักความดับทุกข์ก็คือไม่รู้จักตัวนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาโดยทิ้นเชิงสี่ไม่รู้จักคุณทางให้เห็นความดับทุกข์ก็คือไม่รู้จักมรรคในองค์แปด อันเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงทีนี้ก็มาพูดนี่นี่ทั้งกล่า Kabul ทั้งบทนี้เป็นเป็น เ, เป็นเรื่องของอริยสัจสี่เป็นเรื่องของอริยสัจสี่ถ้าหากว่าถ้าเรารู้อริยสัจสี่โดยถูกต้องแน่นอนที่สุดก็เป็นทางของพระเยซูเจ้าเป็นทางของเป็นความจริงอันแท้จริงทีนี้อีกสีอย่างที่บอกว่าไม่รู้จักอดีตก็คือ เราไม่รู้จักสาวหาเหตุในอดีตอเมื่อเห็นผลในปัจจุบันก็ไม่รู้จักสาวหาต้นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้ผลนี้เกิดขึ้นข้อหกไม่รู้จักอนาคตคือได้แก่ไม่รู้จักคาดผลข้างหน้าอันจักบังเกิดมีต่อไปเพราะเห็นผลในปัจจุบันนี้แล้วว่าเหตุเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรน่ เ, เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปข้างหน้าจักมีผลเป็นอย่างไร 7. ไม่รู้จักทั้งอดีตอนาคตคือได้แก่ไม่รู้จักโยงเหตุในอดีตกับสาวหาผลในอนาคตให้มาเชื่อมติดต่อกันถึงเช่นกระทำความชั่วไว้ในอดีตแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่อาจรู้หรือคาดได้ว่าจะเป็นอย่างไรมีผลดีหรือผลชั่วอย่างไรแปดไม่รู้จักปฏิจจสมุทบาท เือได้แก่ไม่รู้จักกรรําหนดสภาพนั้นๆันโดยความเป็นเหตุเป็นผลแห่งกัารใดกันบุดลูกโซ่ก ait ait. เกี่ยวพันกันไปจนสายฉะนั้นคือหมายความว่าที่ปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราสังขา ร, าา ร, าาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังนามนามรูปปัจจย า, า, า, าเป็นต้นอ่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะน่ยนี่ อันนี้เพราะเราไม่รู้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งแปดอย่างนี่แี่ยเรียกว่าอาวิชชานะอาวิชชาคือความไม่รู้ความโง่เขล า, าเบาปัญญานะนี่แปดอย่างนะถ้ า, ากว่าเรารู้มันก็เป็นวิชาแปดประการนะก็รู้ในทางตรงกันข้ามนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่งามนะก็ที่สุดก็คือทําให้เรารู้เหตุรู้ผล ร, รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันแล้วก็รู้มรรครู้ผลรู้นิพพานได้นทะีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่า อะไรเรียกว่าอาวิชชามีเท่าไรอะไรบ้างเราก็บอกว่าความไม่รู้ความโง่เขลาเบาปัญญาเรียกว่าอาวิชชามีแปดอย่างก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือถ้าจะถามว่าไม่รู้อย่างไรที่จัดว่าไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเราก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้จักอดีตอนาคตก็คือ ได้แก่ไม่รู้จักโยงเหตุในอดีตกับสาวหาผลในอนาคตให้มาเชื่อมต่อกันเช่นการกระทําความชั่วไว้ในอดีตแล้วต่อไปอนาคตข้างหน้าก็ไม่อาจรู้หรือคาดได้ว่าจะเป็นอย่างไรมีผลดีหรือชั่วอย่างไรนี่ส่วนที่บอกว่าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือได้แก่ไม่รู้จักกําหนดสภาพนั้นๆโดยความเป็นเหตุและ ขนแห่งกันและกันอาดดโลกโตเกี่ยวพันเนื่องกันไปเป็นสายว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดจิญานมัญญานเป็นปจันนนนปนปจจัยเกิดนามรูปเป็นต้น <c oughs> หรือถ้าจะถามว่าลองยน่น อ, อวิชชาแปดให้เหลือเพียงสามดูจะได้ไหมนี่จะย่นอย่างไรอันนี้เราก็บอกว่าย่นได้ย่นอย่างนี้คือไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้จักนิโรธ นะไม่รู้ทุกไม่รู้จักนิโรธไม่รู้อนาคตนะไม่รู้อนาคตรวมเป็นหนึ่งในจําพวกไม่รู้ผลไม่รู้จักเหตุให้เกิดแห่งทุกไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกไม่รู้ทางถึงความดับทุกไม่รู้จักอดีตรวมเป็นหนึ่งในจําพวกไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทรวมเป็นหนึ่งในการไม่รู้จักความต่อกันแห่งเหตุและผลและความเนื่องกัน แห่งสภาวะธรรมนะนี่เป็นเรื่องของออวิชชาแปดเป็นเรื่องของอวิชชาแปดก็เป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาควรจะประพปฏิบัติฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอริยบุคคลแปดก็ดีนใะุคนแปดก็ดีอวิชชาแปดก็ดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนะักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย สงกระจบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร